บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องการใช้สัำปชัญญะคือทําความรู้ในความเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนั้นอันที่จริงแล้วก็เป็นการปฏิบัติเสริมธรรมะเข้าไปในความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ โดยปกติดังที่กล่าวแล้วนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าผลจากการที่บุคคลมีปกติรู้ทันต่อความเคลื่อนไหวแห่งอริยบททั้งหลายและแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงการกระทำการพูดการคิดการดื่มการลิ้มการหยิบของการจับของเป็นต้นนั้นจะทำให้เกิดความถูกต้องไม่มีความผิดพลาด ไม่มีความเผลอเริดหลงลืมขึ้นในการงานเหล่านั้นที่จะต้องจัดที่จะต้องทำพ ร, ระภูมิพระภักเจ้าทรงอาศัยความปกติที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองแล้วก็สั่งสอนให้บุคคลเพิ่มธรรมะเข้าไปในสวดนั้นๆั้นซึ่งเราเรียกโดยสรุปเวลาการทำงานสัมพันธ์กันของสติสัมปชัญญะว่าระลึกรู้ แต่แม้ที่ส่งใช้ในสัมปัญญปะปภะเองก็ส่งใช้คําว่าสัมปชานาการีซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีปกติกระทําความรู้ในความเคลื่อนไหวต่างๆดังกล่าวนั้นแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เป็นไปในชีวิตของบุคคลเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ สัมผัสัญญาก็ต้องทำหน้าที่รู้ถึงความเคลื่อนไหวนั้นๆว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวเหล่าใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนก็เคลื่อนไหวไปในลักษณะหล่านั้นข้อนี้พึงเห็นได้ว่าแม้ในการเหยียดเท้าไปเพื่อจะเหยียบหรือเหยียดมือไปเพื่อจะหยิยบของตลอดถึงการกระทําอย่างอื่นตักอาหารจะเข้าปากเป็นต้น พรพันชัญญา ก, ก็จะทำหน้าที่รู้ว่าเราจะเหยียดเท้าไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ตลอดช่วงของการเหยียดเท้าและก่อนที่จะเหยียบลงไปเพราะในจุดที่เราจะเหยียบนั้นบางครั้งก็เป็นอันตรายบางครั้งก็เป็นประโยชน์จุดใดที่เหยียบไปแล้วเป็นอันตรายก็ไม่เหยียบซึ่งก็หมายความว่าความรู้จะต้องเคลื่อนไหวตามไปตลอดจนถึงเหยียบในแต่และจ่างก้า แต่บางครั้งบางคราวเป็นการกระทาที่ขาดสัมพัทญิยัไปในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ก่อให้เกิดการหกล้มการเหยียบในจุดที่ไม่ควรเหยียบหรือความรังพลาดต่างๆเป็นต้นแม้ในความเคลื่อนไหวส่วนอื่นก็พึงดูโดยลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการกระทาความรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงทรงใช้คำว่า ให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในด้านของสถานที่ที่จะไปหรือการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะรู้ว่าควรหรือไม่ควรซึ่งก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกันคือสถานที่ที่ควรไปกับไม่ควรไปถึงก็หมายความว่าสถานที่ใดที่ควรไปก็กําหนดที่ประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการไปในสถานที่นั้นเป็นประการสาคัญ ในชั้นของการปฏิบัติที่บุคคลสามารถใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็คือนําเอาสัมปชัญญะเข้าไปพนวกไว้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามข้อ น, นี้พึงสังเกตว่าเวลาเราจะทํางานในยามปกตินี่เองอาจจะเป็นหั่นผักอาจจะเป็นการปรุงอาหารอาจจะเป็นซักผ้ า, า จ, จะเป็นถูพื้นซึ่งเป็นงานตามปกติ แต่ก็นำสัมปญัญญาใส่เข้าไปคือให้รู้ทุกจุดของความเคลื่อนไหวนั่นเองทําให้การงานเหล่านั้นมีความประณีตมีความถูกต้องดียิ่งขึ้นซึ่งไม่ถึงกับเป็นกรรมฐานเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างปริมาณของสัมปญัญญะให้สูงขึ้นความหลงลืมความคลั่งพลาดต่างๆก็จะเบาบางลงไป หรือบางครั้งนั่งว่างๆอาจจะยกมือขึ้นแล้วยกขึ้นยกลงรู้ไปตั้งแต่จุดของความเคลื่อนไหวทั้งตอนขึ้นและตอนลงนี้ก็เป็นการฝึกเรื่องของสามัญชนยะและนั้นกรรมฐานส่วนนี้จึงเป็นกรรมฐานที่บุคคลสามารถใช้หลักมานัสิการ คือใส่ใจถึงอารมณ์ของกรรมฐานได้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินไปการขับรถไปหรือการนั่งไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่นอนของตนก็ให้ตัวสัมปชัญญะนั้นอยู่กับความเคลื่อนไหวนั้นๆโดยมีการมโนสิการถึงกรรมฐานเป็นหลักสำคัญดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่า ตัวมนุิการคือความใส่ใจนั้นเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในจิตใจของคนเพราะก็จริงถ้าถึงชั้นนี้แล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สำคัญเท่ากับเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรขอ้อนี้ท่านได้เล่าถึงบุคคลสองคู่ด้วยกันคู่แรกเป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวรรกัน สามเณรรูปหนึ่งเดินมากับหลวงพ่อซึ่งตาบอดได้ยินเสียงสตรีสาวร้องเพลงอยู่ในป่าเกิดมนสิการคือใส่ใจในเสียงโดยความกำหนดว่ายหมายว่าหน้าเพลิดเพลิพนยินดีก็ไปในที่นั้นเกิดชอบพอถูกอัธยาศัยกันก็ทำลายศีลของตัวเองจนในที่สุดก็สึกออกออกไปจากเป็นสามเณร แล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาในป่าเช่นเดียวกันจิตใจของท่านนั้นมณสีการถึงกรรมฐานอยู่ตลอดได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากใจของท่านในขณะนั้นมณสีการถึงกรรมฐานอยู่เสียงเพลงที่ร้องนั้นก็ถูกปรุงเข้าไปในทางของกรรมฐานเป็นข้อความการพันนา ความสวยงามของดอกบัวที่เกิดขึ้นในสระแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นจนชู ด, ดอกขึ้นมาเหนือน้ำต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็แบ่งปานปานกาลเวลาไปก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยท่านได้อนิจจสัญญาเพราะการฟังเพลงนั้นเท่านั้นแล้วก็จเจริญวิปัสสนาโดยอาศัยอนิจจสัญญาคือมองเห็นความไม่เที่ยง ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเสียงเพลงอันพ น, นาเรื่องของดอกบัวน้อมาดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาดอกบัวแลวในที่สุดก็มองเห็นถึงความเป็นอย่างเดียวกันระหว่างชีวิตของตนเองกับดอกบัวดึงก็ไปหาทั้งส่วนที่เป็นนาฬิอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดและสรรพสิ่งทั้งหลายทัยแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของอนิจจัง คือความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้นในที่สุดจิตใจของท่านซึ่งเคยยึดติดอยู่ในวัตถุทั้งหลายด้วยความเป็นของเราบ้างด้วยความเป็นเราบ้างด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างก็เริ่มผ่อนคลายลงไปใจก็หลุดพ้นจากความยึดความติดในอารมณ์ทั้งหลายไม่ค้องไม่เกาะไม่เกี่ยวอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นก็นี้จะเห็นได้ว่า ตัวความรู้นั้นก็เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองคนแต่สามัญเรนรู้เป็นรูปของการไม่แยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจเป็นการมองชั้นเดียวคือมองว่าอะไรแล้วก็เสียงกำหนดว่าเสียงแล้วกาหนดต่อไปด้วยแรงของกิเลสด้วยแรงของราคะด้วยแรงของโลภะ เสียงนั้นน่าใคร่น้าปรารถนาน่าพอใจในที่สุดก็ถูกกระแสกิเลสดึงหายไปดังกล่าวแต่พระนัน้นท่านเริ่มอยู่ด้วยสามปัญญะคือความรู้มีมณสิการคือใส่ใจถึงอารมณ์ของกรรมฐานมองอะไรก็มองในรูปของกรรมฐานโดยไม่พลากไปจากอารมณ์ของกรรมฐาน จิตใจแนบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้ยินเสียงเหมือนกันพอเสียงผ่านเข้ามาก็คลุกคลาวเข้าไปกับอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งก็หมายความว่าในขนาดนั้นกิเลสภายในใจของท่านก็สงบอยู่พอสมควรปัญญาก็บังเกิดขึ้นพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน จึงเกิดขึ้นจากเสียงเพลงเท่านั้นเองและจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตได้อีกคู่หนึ่งเป็นเรื่องของภิกษุกษามันเนรที่ไปด้วยกันไปโดยมีจุดประสงค์ว่าพระนั้นต้องการนำเนรไปในป่าเพื่อหาไม้ชำรัฝฟันแบบพระกรรมฐานเวลาไปถึงในจุดหนึ่ง ก็บอกว่าแยกย้ายกันไปหาสามเณรเดินแยกไปถึงด้านหนึ่งก็พบซากศพซึ่งนอนตายอยู่ในที่นั้นแต่การเดินของท่านเดินด้วยโดยมนานสิการทึงอารมณ์ของกรรมฐานอยู่พอตาสัมผัสกับซากศพความรู้ก็ไปอยู่ที่ซากศพรู้แล้วก็เริ่มพินิษพิจารณาดูซากศพหลดนั้น โดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยลักษณะโดยสภาวะโดยเพศของซากศพนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความสลายไปแห่งชีวิตร่างกายน้อมดูซากศพเหล่านั้นแท้ที่จริงเมื่อก่อนก็เป็นเช่นเดียวกับท่านแต่เพราะปัจจัยแห่งชีวิตเสื่อมสลายไป ก็มากลายเป็นซากศพก็ดึงกลับไปกลับมาของความรู้ระหว่างศพกับท่านท่านกับศพเห็นความเป็นอันเดียวกันโดยนิ ย, ยะที่กล่าวแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุโสดาสกิตาคานาคามาถึงระดับสามพระท่านไปเจอไม้จำระกฝันไม้ที่จะทําไม้จำระกควันเข้าพอดีก็ตะโกนเรียกสามเณร สำเนนก็ได้ยินเสียงอารมณ์ก็พรากจากกรรมฐานท่านก็มาณสิการว่าเราตั้งแต่บวชมานั้นไม่เคยปล่อยให้พระท่านเรียกถึงสองครั้งการจะเินกรรมฐานเพื่อมรักผลเรื่องสูงต่อไปนั้นเขารรมาหลังแล้วก็ไปไปหาพระภิกษุรูปนั้นพร้อมกับเรียนว่าขอให้ท่านเดินไปที่จุดซึ่งผมเดินไปแล้วก็มองในจุดที่ผมมองเถอะ เรจะเห็นอะไรภิกษุรูปนั้นก็ไปในจุดนั้นแล้วก็มองในจุดนั้นแต่อย่าลืมว่าทั้งสองรูปนั้นมีสัมปชัญญะมณสิการทึ้งกรรมฐานอยู่ตลอดเมื่อภิกษุไปเห็นซากศพก็พิจารณาโดยนิยะเช่นเดียวกับที่สามมเณรท่านพิจ า, ารณาบรรลุมรรคผลเป็นพระรยาบุคคลได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงพื้นใจที่สงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีสติมีสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมใจไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดแขนจะดื่มจะลิ้มจะทำอะไรก็ตามใจที่มณติการถึงกรรมฐานอยู่นั้น พร้อมที่จะมองอะไรให้เข็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นการปฏิบัติในแนวนี้เรื่องของความรู้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วจะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดก็ได้หรือแม้จะเรียนจากภายนอกก็ได้แต่ในกรณีของซากศพ ที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมองในแง่ของสัพปัญญสัพยาสัมปัญญะคือความรู้ถึงอารมณ์เป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายแก่ตนด้วยโดยปกติแล้วกรรมฐานข้อนี้เป็นกรรมฐานที่ออกจะเจริญยากเพราะมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบเป็นนันมากเช่นกรรม อารมณ์ซากศพที่เป็นของเพศตรงกันข้ามคือผู้หญิงดูศพผู้ชายผู้ชายดูศพผู้หญิงที่ยังไม่ใหม่อยู่นั้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมฐานเพราะว่าใจมักจะตกไปในส่วนของราคะยังสามารถปรุงขึ้นมาได้ให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นความสวยความงามขึ้นมาได้การจเจริญกรรมฐานจึงมุ่งที่จะหาซากศพฝ่ายเดียวกัน เป็นผู้ชายมองศพผู้ชายผู้หญิงมองศพผู้หญิงในกรณีที่ยังเป็นรูปร่างอยู่นอกจากว่าเปลี่ยนสภาพจนจำแนกเพศไม่ได้ก็ย่อมเป็นกรรมฐานที่สปายะแก่คนที่มีพื้นอัธยาศัยในส่วนนี้ซึ่งกหมายความว่าการมองกรรมฐานในแนวนี้โดยการรู้เรื่องของซากศพนั้นก็ไม่เป็นที่สบายสำหรับคนทั่วไป ไม่ใช่บุคคลทุกคนจะไปเจริญได้จะไปทำได้บางครั้งแทนที่จิตใจจะสงบมันก็หักเขไปในด้านอื่นอาจจะเป็นราคะอาจจะเป็นปฏิคะหรืออาจจะเป็นความหวาดความกลัวความสะดุ้งไปก็ได้ประเด็นที่สาคัญของเรื่องสัมปชัญญะจึงอยู่ที่ความรู้เป็นประการสำคัญและที่รู้ต่อไปนั้นก็คื อ, คอรู้เรื่องที่เป็น เครื่องสบายแก่ตอนอะไรก็ตามที่อำนวยให้เกิดความสบายและสามารถรู้ทั่วถึงรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นๆอย่างในกรณีใหญ่ๆท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นรูปของความสบายในด้านที่อยู่ในด้านอาหารในด้านธรรมะในด้านบุคคล แต่สมหรับในกรณีนี้ตัวการสาคัญคือในด้านของอารมณ์อารมณ์ที่บุคคลจะต้องทำความรู้ในแต่ละขณะนั้นจะต้องมีลักษณะเกื้อกูลแก่ตนเองเป็นประการสาคัญเพราะอารมณ์ของกรรมาฐานที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ใช่ว่าบุคคลทุกคนจะทำได้เสมอไป แต่บุคคลจะต้องเลือกให้เป็นที่สบายแก่อัธยาศัยคือถูกตรงตามจริตของตนข้าในทํานองที่พูดกันว่าล่างเนื้อชอบล่างใจนั่นเองก็ดูว่าการระลึกการรู้ในที่ใดก็ให้เกิดเป็นความสบายเป็นความสงบไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์เหล่านั้นก็ทำความรู้ในอริยาบทนั้น ซึ่ในการปฏิบัติในส่วนของสัมปชัญญะนั้นจะเห็นว่าท่านเน้นไปที่ตัวเองมากกว่าเรื่องภายนอกยกเว้นแต่กรณีที่บุคคลจะออกไปจากสถานที่นั้นแล้วไปในที่ใดที่หนึ่งท่านก็สอนให้มนสิการถึงกรรมฐานคือสามารถที่จะใช้สัมปชัญญะของตนทําความรู้ต่อสิ่งต่งตางๆ ที่ตนผ่านไปที่ตนพบที่ตนเห็นตลอดถึงรู้ทันอิริยาบถ ท, ที่ก้าไปที่เหยดออกของตนเป็นตนบางครั้งบางคราวเป็นการปฏิบัติที่มีการกระทำในลักษณะที่สืบเนื่องซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องพยายาม พ, อพ่อคูนความระลึกรู้ขึ้นโดยลำดับ บางท่านใช้โดยวิธีนี้เช่นว่าระลึกรู้ในส่วนของการเดินอย่างเดียวการเดินนั้นบางครั้งก็เป็นการเดินในรูปของจงกลมคือทําความรู้ตลอดความเคลื่อนไหวแห่งเท้าที่ก้าวไปเท้าที่เหยียดออกเท้าที่เหยียบลงระลึกรู้ไปตลอดในกรณีนี้การปฏิบัติบางครั้งก็กําหนดขึ้นเป็นเงื่อนไข เพื่อให้สติและสัมปชัญญะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้เกิดขึ้นทันจริงๆให้ริยาบทนั้นช้าๆไปแต่พอถึงจุดหนึ่งมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญดีแล้วถึงแม้ว่าจะเดินไปอย่างเร็วแต่ตัวความรู้ก็รู้อยู่ทันตลอดถ้าเราถึงพระเทระเป็นนั้นมากที่ปฏิบัติในแนวนี้ มารูปก็จะใช้เวลาถึง2ีบปีบ้าง15ปีบ้าง7ปีบ้างแล่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะบรรลุมากคนึนซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการเก็บการสะสมด้วยความเพียรพยายามมีการกระทำที่สืบต่อกันไปยังทรงใช้คำว่าอบรมกระทำให้มากเพราะในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนับเกิดความสำรอกกิเลสออกไปจากใจนั้นถ้ามองดูในจุดที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็จะพบว่าไม่ว่าเรื่องของความชั่วหรือเรื่องของความดีก็ตามแท้จริงแล้วเป็นเสี้ยวของนาทีเท่านั้นเองเป็นชั่ววูบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ารู้หรือไม่รู้ ถ้ารู้ก็สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ถ้าไม่รู้ก็เป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาได้จึงทรงกำหนดด้วยถ้อยคำที่ว่าสัมปชาญญการีซึ่งหมายความว่ากระทำความรู้อยู่โดยปกติก้อ น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทรงรับรองผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอาไว้ แต่ถ้าส่วนเหตุมีความบกพร่องคือทําความรู้บ้างทําความไม่รู้บ้างผลที่ส่งรับรองเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้มันเหมือนกับอะไรเมื่อเหมือนกับการขับรถไปในสถานที่ต่างๆรบาบใดที่สติสัมภิชัญญะยังคงอยู่กับการงานที่ตนจะต้องทําในขณะนั้นคือการขับรถ และอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขับรถต้องรู้ทั้งถนนทั้งรถที่สวนมาทั้งรถของตัวเองและทั้งส่วนต่างๆในรถของตนซึ่งก็หมายความว่าตัวความรู้นั้นจะต้องอยู่ในแวดวงของงานที่กําลังทําอยู่นั่นเองถ้าความรู้ยังไม่พรากไปจากงานเหล่านั้นก็ขับไปได้โดยสวัสดีอาจจะเป็นหลายร้อยกิโลก็ได้ แต่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นแท้จริงก็ไม่ใช่นานอะไรเป็นเพียงวูบหนึ่งเป็นเพียงชั่วขนาดหนึ่งของการเผลอเผลอเรอของการพลังพลาดของความไม่รู้เท่านั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีธรรมะนั่นเองธรรมะจะคุ้มครองรักษาบุคคลจึงทรงแสดงให้เห็นในรูปของ วัตถุธรรมที่ดูกันได้ง่ายๆก็คุ้มครองรักษาคนเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าข้อสำคัญอยู่ที่เราทำได้ตามที่แสดงไว้หรือไม่แน่นอนเราก็มีร่มซึ่งเหมือนกับปริญญาต์ในแก่การศึกษาการสะดับสับฟัง บรรดาฝนนั้นก็เปรียบเหมือนกีเลสธรรมะก็เปรียบเหมือนกับร่มที่จะร่มก็เหมือนกับธรรมะที่จะนำไปใช้กั้นฝนในเวลาที่ฝนตกซึ่งถ้าหากว่ายังมีการกั้นร่มใหญ่อยุดราบได้แม้ฝนจะตกลงมาก็ไม่เปียกแต่ถ้าหากว่าเบียงเบนออกไปชั่วขณะหนึ่งก็อาจจะเปียกฝนขึ้นมาได้ เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติในขณะนั้นไม่ตรงกับหลักที่ท่านรับรองผลเอาไว้แม้ในชั้นของการใช้สัมปชัญญะที่ทรงใช้คำว่าสัมปชานากาศรีคือรู้พร้อมอยู่โดยปกติในความเคลื่อนไหวต่างๆของตนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกรรมฐานส่วนนี้จึงเป็นกรรมฐานที่เสริม ให้บุคคลสามารถกระทำงานของตนอย่างมีประสิทธิธภาพสูงขึ้นความหลงลืมความเผลอเรอต่างๆก็จะเบาบางลงไปซึ่งจะเห็นได้ในที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำอะไรก็ตามเพราะสมามไปชัญญาในข้อต่อไปนั่นคืออสัมโมหะสัมไปชัญญาที่แปลว่าความรู้โดยไม่หลง จึงก็หมายความว่าปริมาณของความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะต้องผ่านกระบวนการของสัมปชัญญะที่กล่าวมาแล้วโดยลําดับคือต้องแยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์อะไรสบายอะไรไม่สบายอะไรควรไปอะไรไม่ควรไปและเมื่อแยกได้อย่างนี้เมื่อนํามาถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งว่าที่จริงก็สัมพันธ์กันในส่วนอื่นที่ท่านใช้คําว่าฉลาดในทางเสื่อมฉลาดในทางเจริญและฉะลาดในอุบายยุิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญถ้ามาถึงจุดนี้ได้ก็จะเป็นความไม่หลงสำหรับุคคลผู้นั้นความหลงที่เกิดขึ้นด้วยความเพลิเรลินที่เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ก็พร้อมที่จะสร้างอันตรายทุพภัยให้แก่บุคคลดังที่ปรากฏเป็นเรื่องราวของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆให้รู้ให้เห็นกันในชีวิตประจำวันสำมะชัญญาปภ ะ, ะจึงกลายเป็นกรรมฐานที่มีอุปการธรรมอย่างสําคัญในการที่จะช่วยให้บุคคลสามารถจําแนกโดยนยดิย่าดงก่าวแต่จุดมุ่งหมายสําคัญคือต้องไม่หลง ไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามต้องรู้โดยไม่หลงถ้าฌาปใดยังมีความหลงอยู่ฌาปนผลที่พึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติธรรมะในส่วนนี้ mm. ก็จะมีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยเพราะใดเพราะตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาซึ่งอาจบางแห่งอาจจะเรียกวิาวชาความรู้หรืออาจจะเรียกวิญญาณเรียกอะไรก็ตามเป็นธรรมะสายเดียวกัน เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงคือทาหน้าที่ขจัดความหลงออกไปธรรมศสายนี้จึงอุปมาเหมือนกับแสงสว่างความหลงเหมือนกับความมืดซึ่งจะอยู่ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ฉันใดการกระทาสัมปชัญญะคือความรู้รูปรู้นามรู้อิริยาบถรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้น ซึ่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปรู้รูปของเราให้สัมปัจจัญญะนั้นอยู่กับเราไม่พลากไปจากความเคลื่อนไหวของเราทั้งในขณะยืนทั้งในขณะเดินทั้งในขณะนอนและในขณะที่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถยังไงก็ตามะจะเล็กจะน้อยก็รู้อยู่ตลอดระยะเวลาและจากการกระทำอันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณของสัมปจัญญะซึ่งที่จริงก็คือปัญญา สูงขึ้นภายในจิตใจของตนเองแล้วแม้แต่ยกยกแขนขึ้นเหยียดแขนออกหรือว่ายกเท้าย่างไปก็สามารถที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัย ใ, ให้เห็นความเกิดความดับของนามรูปได้เพราะแท้จริงสิ่งนั้นก็คือเรื่องของเกิดดับดูลมหายใจเข้าออกก็เห็นความเกิดดับได้ดูใบไม้ดูก้อนเมฆดูอะไรก็เห็นเป็นความเกิดดับขึ้นมาได้เช่นเดียวกับที่ พระภิกษุและสามเณรสองรูปที่กล่าวมาแล้วหรือพระเทราที่ฟังเสียงการพันนาถึงดอกปัวนั่นเองสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เครื่องรู้โดยอาศัยตัวสัมปชัญญะและสติเข้าไปกากับนั้นจะเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าปริมาณของสัมปชัญญะสามารถแยกได้แล้วสามารถคิดได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรโดยอาศัย การพิจารณาตามหลักของภัจัยหลักผลคือความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแด่งต้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป